รัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นผู้เปี่ยมล้นบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านั้นจริงๆเนี่ยนะพัะกุศลศีลนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้ให้เข้าใจศีลเหล่านี้เป็นทรัพย์ของเราเนะถ้าเราศึกษาเราปฏิบัติตามในศีลก็นับเนื่องในอริยทรัพย์เจประการถ้าเรามีศีลแล้วก็สบายแล้วช่วยปกปักคุ้ ม, ค, มครอง อันคนที่มีศีเนี่ยไม่ไปสู่อาบายทุกติวินิบาตนรกศีนจะปกปักรักษาเขาทั้งหมดเนี่ยนะทีนี้ต่อไปนะอินทรีสังวรก็คือการสำรวมอินทรีคือระวังไม่ให้บาปอากุศลธรรมครอบงำใจเมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีทั้ง6ลืมตาแล้วโลภะโทสะไม่เกิดในชาวณนะ หูได้ยินเสียงแล้วโลภะโทสปปะไม่มีอินทรีย์สังวรอวิชชาหรือโมหะเกิดก็เชื่อว่าไม่มีเป็นบาปหูได้ยินแม่ปเป็นบาปจมูกรับลูกกลิ่นใจไม่เป็นบาปลิ้นรับรูรสใจไม่เป็นบาปจมูกรับกลิ่นใจก็ไม่เป็นบาปกายรับกระทบสัมผัสนะนะสัมผัสรับกระทบตั้งแต่หัวจรดเท้าใจก็ไม่เป็นบาปคิดอะไรใจก็ไม่เป็นบาปเนี่ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีอินทรีย์สังวร เน้นว่าถ้ารับอารู้อารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งแล้วอกุศลจิตเกิดขึ้นขณะนั้นไม่เชื่อว่ามีอินทรีย์สังวรนะอกุศลไม่ว่าจะเป็นโลภะเกิดก็ตามก็เชื่อว่าไม่มีอินทรีย์สังวรแล้วโทสะเกิดก็เชื่อว่าไม่มีอินทรีย์สังวรอวิชชาหรือโมหะเกิดก็เชื่อว่าไม่มีอินทรีย์สังวรแม่ปฏิโมกสังวรนี้ถ้ามีศรัทธาก็พอจะรักษาได้แล้วนะ แต่ว่าอินทรีสังวรเนี่ยถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นคนหลงหลงลืมลืมเนี่ยโอ้ยจำอะไรไม่ได้ทรากอย่างวิเคราะห์อะไรไม่ออกเลยเนี่ยรักษายากมากอินทรีสังวรนั้คนที่จะเจริญอินทรีสังวรจะต้องเป็นคนที่มีสติบริบูรณ์ไปด้วยสติคนที่มีสติสัมปชัญญะดีนั้นคนนั้นต้องเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมีโยนิโสเป็นอาหาร โยนิสโสน <als> ah <genes> ี่ม hmm. <the> <oring> ีอะไรเป็นอาหารโยนิโสเนี่ยมีศรัทธาเป็นอาหารศรัทธามีการฟังพระสัจธรรมเป็นอาหารการฟังพระสัจธรรมมีการคบสัตบุรุษเป็นอาหารเพราะฉะนั้นการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังพระสัจธรรมให้บริบูรณ์การฟังพระสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยัง ศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังโยนิโสมนสิการให้บริบูรณ์โยนิโสมนัสิการที่บริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์อันอินทรังวอนเนี่ยก็คือคนที่มีสติสัมปชัญญะตามองเห็นเป็นเป็นต้นเนี่ยนะใจไม่เป็นบาปถ้าระสังวรนระวังระสำรวมรักษาอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนที่มีอินทร์ยสังวอนสารวม อินทรีย์ทั้งหโดยที่ใจไม่เป็นไปกับบาปไม่เป็นไปกับอกุศลนีนะท่านะาบอกโอ้จะทำได้เลยโอ้ถ้าใครคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นซั์ก็ทำได้นะถ้าคิดว่าเป็นอริยรั์ก็ทำได้ทั้งนั้นแหละนะถ้ามีหิริมีโอตปะมีการศึกษาที่เพียงพอก็ปฏิบัติตามได้เพราะว่าธรรมะเหล่านี้เป็นนิยานี่ก็ทำไปนะ เขาบอกว่าโภชเนมตันยุตา e บรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนยกอาหารขึ้นเป็นประธานนะแต่จีวรเท่ากับกล่าวด้วยที่อยู่อาศัยเท่ากับกล่าวด้วยยู่ยารักษาโรค ก, ก็เท่ากับกล่าวด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์นี่รู้จักประมาณในการบริโภคนะ่ที่จริงรู้จักประมาณในการแสวงหาด้วยนะรู้จักประมาณในการรับแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภค ในปัจจัยทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มทุกชนิดที่อาหารที่รับประทานเข้าไปทุกอย่างที่อยู่อาศัยทุกแห่งยาทุกชนิดพระองค์นี้รู้จักประมาณในการบริโภครู้ประมาณในการรับรู้ประมาณในการสแสวงหาเนี่ยนะรู้ความพอดีว่างั้นเถอะรู้ความเหมาะสมก็น้อยจิตไม่เป็นไปกับอกุศลคำว่าตื่นนี้ไม่ได้ ไม่ได้หมายถึงว่าไม่หลับอย่างเดียวนะคำว่าตื่นในที่นี้คืออากุศลและจิตได้นั้นต้องเห็นโทษถ้าเขาบอกว่าพิจารณาเห็นอานิสงของการพิจารณาก็สามารถที่จะรักษากุศลธรรมเหล่านี้ได้อันนี้เรียกว่าโภชเนมตัญยุตตาพระพุทธเจ้านั้นทรงบริบูรณ์ไปด้วยโภชเนมตตัญยุตตาไม่มัวเมาไม่เพลิดเพลินในการบริโภคอาหาร ส่วนข้อต่อไปนะวิช า, าจารณะข้อที่สก็คือพระองค์นั้นมีชาคิยาโนโยคมันประกอบความตื่นคําว่าตื่นในที่นี้ก็คือหลับก็น้อยจิตไม่เป็นไปกับอกุศลคําว่าตื่นนี่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่หลับอย่างเดียวนะคําว่าตื่นในที่นี้คืออกุศลและจิตไม่เกิดอะ่ะถ้าเขาบอกว่าคนใดที่ยืนแล้วอกุศลและจิตครอบงำนะก็ชื่อว่าหลับอยู่นั่นดี ใครที่นั่งอยู่แล้วอกุศลจิตครอบงามเดินอยู่อกุศลจิตครอบงามนั่งอยู่อกุศลจิตครอบงามนอนอยู่อกุศลจิตครอบงามก็ชื่อว่าคนหลับไม่ชื่อว่าคนตื่นแต่ถ้าอยู่ในอิริยาบถ ท, ทั้งสประการนี่แหละแล้วอกุศลไม่ครอบงามย่ํายีจิตเด็ดนะอกุศลวิตกไม่เกิดเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าคนตื่นคําว่าตื่นนี่ก็คือชวนะตื่นนะไม่ได้ลืลมตาแลยเชื่อว่าตื่นนะ ถ้าลืมตาแล้วใจเป็นไปกับอกุศลนี่ก็หลับแล้วขณะนั้นนั้นนี่เรียวกว่าชาคริยานุโยกแต่ก็คือชาคริยานิโยคคนที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่างนั้นก็แบ่งแบ่งการบริหารร่างกายเป็นว่าเวลาไหนควรยืนเวลาไหนควรเดินเวลาไหนควรนั่งเดินนี่สมควรจะเดินเร็วขนาดไหนช้าขนาดไหนจึงจะเหมาะสมในการเจริญกุศลนั่งควรจะนั่งอิริยาบถอย่างไรนั่งใช้เวลาเท่าไหร่ แล้วควรคิดอะไรจึงจะเชื่อว่าเป็นไปกับกุศลยังไงเขาเขาวิจัยออกหมดเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าชาคริยานุโยคดังั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นการปฏิบัติแบบคนตื่นตัวนะไม่ใช่ตื่นตัวแต่ไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่ตื่นตัวอย่างเต็มที่ในการใข่ครัวในการวิจัยพระธรรมเนี่ยนะนะแต่ไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าตื่นตหนกตกใจไม่ใช่ตื่นแบบนั้น ตื่นตัวเต็มที่ในการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ในการพินิจพิจารณาพระธรรมอันนี้พระองค์มีคุณธรรมอันนี้อย่างบริบูรณ์ทีนี้ต่อไปนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีศรัทธาในกุศลธรรมพระพุทธเจ้านี้มีศรัทธา ม, มากในกุศลธรรมทุกชนิดเพราะว่ากุศลธรรมทั้งหลายนั้นอ่ะพระองค์ได้ทรงแสดงไว้ทรงแนะนําทรงสั่งสอนแล้วก็นับว่า พรงคนั้นเป็นผู้ที่แสดงว่าการทํากุศลให้ถึงพร้อมกุศลสูประสัมพทาเนี่ยนะอันพระองค์นี่เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่เป็นไปกับกุศลธรรมเนี่ยนะกุศลธรรมตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเป็นต้นไปเนี่ยนะตั้งแต่การนุ่งการห่มว่า ง, งั้นเด็กการนุ่งการห่มเพิ่งทำศึกษาว่าเราจักนุ่งเป็นปริมณฑลเพิ่งทำศึกษาว่าเราจักห่มเป็นปาริมณฑลการนุ่งการห่ม น, นี้ก็ให้ใจเป็นไปกับกุศลนะ ตลอดจนถึงกุศลธรรมชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นสมถะวิปัสนาฌานอภิญญามักคลนะพระองค์ก็ทรงสแสดงเพราะองค์นี้เป็นผู้ที่มีศรัทธาในกุศลธรรมแม้แต่เรื่องทุดลงเป็นต้นนั่นแหละพระองค์ก็ทรงสแสดงเอาไว้ทีนี้ต่อไปนั้นพระองค์นี้ขั่วทางกายกลัวต่อการทำชั่วทางว่าจะ ก, กลัวต่อการคิดชั่วทางใจแล้วก็สะดุ้งกลัวต่อการถึงพร้อมแห่งอ ก, กุศลธรรมอลลา ม, มุก กลัวละอายต่อถึงพร้อมแห่งอกุศลธรรมอันลามกอกุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเพราะองค์เนี่ยละอายรังเกียจอย่งนั้นเลยมีความละอายอย่างเต็มที่เหมือนก็บอกว่าละอายแบบไหนละอายเหมือนกับสาวชาววังผู้ดีก็นะไม่กลา้าปัสสาวะกลางถนนงนั้นละอายที่จะทายอุจจาระทายปัสสาวะกลางถนนอย่างนั่นแหละเขาบอกงั้นละอายแบบนั้นในเคราวิร ทีนี้ต่อไปนั้นโอตะปะก็คือสะดุ้งกลัวต่อกายะทุจริตนี่นะกลัวต่อการทําชั่วทางกายกลัวต่อการทําชั่วทางวาจากลัวต่อการคิดชั่วทางใจแล้วก็สะดุ้งกลัวต่อการถึงพร้อมแห่งอกุศลธรรมอัลา ม, มุกกลัวคนอื่นจะตําหนิ ด, ด้วยอย่างหนึ่งกลัววิบากของกรรมเหล่านี้ด้วยอย่างหนึ่งกลัวทุกโทษต่างๆของอากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ด้วย นเขาเรียกว่าอตตะ ป, ปะสะดุ้งกลัวต่อบาปอากุศลลธรรมเหล่านั้นโอ้มีโทษมากมายมหาศาลนะแต่อย่าลืมนะตั้งแต่ศรัทธาศีลพวกนี้จริงๆก็คืออริยทรัพย์นั่นเองนะพวกนี้อีกชื่อหนึ่งก็คืออริยทรัพย์จรณะสิบกัทรัพย์นี่อันเดียวกันนะถ้าคนที่ปฏิบัติเพียบพร้อมบริบูรณ์ก็บรรลุมรรคผลเรียกว่าจารณะแต่ถ้าหากว่าคนที่มีคุณธรรมเหล่านี้ธรรมดาทั่วไปส่วนใหญ่ก็เรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์ คนที่มีรัพย์แบบนี้เนี่ยนะโหเขาเรียกว่าคนไม่ขัดสนนะในอริยวินัยเนี่ยแต่ถ้าคนที่แห้งแรงศรัท ธ, ธาก็ไม่ค่อยมีแห่งแรงหรือเกินฮิริโอตา ป, ปะก็ไม่มีซากอย่างศีลก็ไม่มีอินทรีย์สังวรก็ไม่เกิดโภชเนมตันยุตาก็ขาดกระพร่องกับแพงชาคริยานุโยกก็ไม่ค่อยมีโอ้ยไม่ใครมันจะขัดสนเท่าเราเนาะนะนะ ถ, ถ้ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่เกิดโอ้ยจนจริงๆเลยนะขัดสนจริงๆขัดสนทางความคิดเหแบบนั้ น, เ, นเป็นคนที่แข้งแร้งทางความคิดกันดานทางความคิดว่าถ้าความคิดไม่มีกุศลธรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยจะหวังอะไรได้นะเพราะฉะนั้นของเราตอนนี้ก็ถ้ามีศรัทธาในพระองค์แล้วก็ฝึกที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านขอมีพระองค์ เป็นที่ไปในเบื้องหน้าขอมอบการถวายชีวิตนี้เลยบ่แด่พระ อ, องค์แล้วก็ขอศึกษาขอเรียนรู้ขอปฏิบัติตามพระ อ, องค์ท่านไปแล้วพระพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นพหูสูตรนะคือพระ อ, องค์นั้นทรงธรรมะที่ได้สดับแล้วสังสมธรรมะที่ได้สดับแล้วธรรมะเหล่าใดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด เป็นธรรมะที่ประกาศพรหมจันทร์คืออริยมรรคเนี่ยนะพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมะทั้งหลายเห็นปานนั้นอันท่านได้สดับมามากพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่เรียนมามากนะเพราะว่าปัญญาบารมีเนี่ยสมาทานสแสวงหาปัญญาเหมือนกับทิ่ษุเที่ยวบินทบาทอะ่ะเขาบอกว่าสแสวงหาปัญญาเนี่ยแบบนั้นเลยเนี่ยนะ ปัญญาบารมีที่ทรงสะสมอบรมมาเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องการเรียนรู้ในเรื่องการฟังในเรื่องการค้นคว้าเนี่ยโหสุดยอดเลยพระองค์เนี่เป็นนักค้นคว้าอย่างเช่นที่ว่าหาผู้เปรียบเทียบไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์นั้นสูตรโอ้ยได้ยินมาเยอะแล้วแต่จําอะไรไม่ได้ซากอย่างอันนี้ไม่เชื่อว่าพระหูสูตนี้เป็นสุดยอดของพระหูสูตรแล้วตะวิญญาณเกิดขึ้นรับเสียงเฉย แต่ว่าถ้าเป็นปหูสูตรก็ต้องทรงธรรมที่เป็นปหูสูตรจริงๆด้วยใจตามตรึกตามนึกตามคิดตามพิจารณาใครครวนธรรมะแล้วก็แทงตลอดธรรมะเหล่านั้นด้วยดีด้วยทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นอย่างถูกต้องไม่วิบัติไม่คลาดเคลื่อนนะอันนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของหูสูตรนะ คนที่เป็นปหูสูดไม่ใช่ว่าโสตะวิญญาณเกิดขึ้นฟังเสียงเฉยๆจึงจะเชื่อว่าปหูสูดโอ้ยได้ยินมาเยอะแล้วแต่จําอะไรไม่ได้ซากอย่างอันนี้ไม่เชื่อว่าปหูสูดนะอันนี้เขาเรียกว่าโสตะวิญญาณเกิดขึ้นรับเสียงเฉยๆแต่ว่าถ้าเป็นปหูสูดก็ต้องทรงธรรมทรงก็คือจําได้ะนะจําได้ธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วสั่งสมธรรมะที่ได้มาแล้วสะสมให้ความรู้อันนี้มาก นะซึ่งธรรมะที่งามในเบื้องต้นงามในถม้มกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจารีพร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมันคนที่เป็นพหูสูตรจริงๆเนี่ยจะรู้เลยนะว่าเออธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะเหล่านี้ควรกําหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรละธรรมะเหล่านี้ควรทําให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ควรเจริญนะถ้าเป็นพหูสูตรจริงๆเขาจะรู้ ธรรมะเหลา่านี้เนี่ยเป็นฝักฝ่ายแห่งความเสื่อมธรรมะเหล่านี้เป็นฝักฝ่ายแห่งความตั้งอยู่ธรรมะเหล่านี้เป็นฝักฝ่ายแห่งความเจริญยิ่งธรรมะเหล่านี้เป็นฝักฝ่ายแห่งการชำแรละกิเลสธรรมะเหล่านี้เนี่ยสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาอย่างไงนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอันคนที่เป็นพหูสูตรจริงๆจะรู้สิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง ในปฏิสัมพิทาท่านกล่าวว่าธรรมะทีะ่ยานที่เกิดจากการทรงจําธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วว่าทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วชื่อว่าสุตมยะยานเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นผู้หูสูดจริงๆนั้นจึงไม่ใช่ว่าได้ยินเฉยๆเนี่ยนะแล้วก็แววแววมาเฉยๆบางคนก็บอกโอ้ยฟังมาเยอะแล้วอยงไงที่จริงอ่ะผ่านหูมาเยอะแต่เขาจําอะไรไม่ได้สักอย่าง แต่ถ้ากว่าคนที่ทรงจำได้ดีจริงๆเนี่ยก็จะเหมือนพระอ น, น์นั่นแหละจะต้องประพฤติปฏิบัติชอบคล้ายๆกับพระอ น, นุนั่นแหละพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีวิริยะวิริยะก็คือเป็นผู้ที่ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย พระพุทธเจ้านี้เป็นคนที่มีความเพียรบากบั่นจริงๆนะแม้แต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยศึกษาดูนะเวลาพระองค์บำเพ็ญทุกรกิริยาเนี่ยโอ้ยถูเรียกว่าคนขี้เกียจคนเกียจขร้านอันคนกล้าจริงๆก็คือกล้าละบาปแล้วคลายตนกุศลจริงเรียกว่าสมท า, านเลยนะเพราะว่าร่างกายนี่จะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อในเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งกว่าช่างมัน ถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโปวิยานเหมือนกันจะไม่ลุกสมาทานเลยนะเป็นคนที่มีความบากบันมั่นคงองค์อาจจริงๆเหมงอนกันไม่เลิกราอันวิริยะก็คือเป็นเรื่องของคนกลา้าพราองค์นี้เป็นคนที่กลา้ากล้าทําอะไรกล้าละอกุศลกล้าเจริญกุศลจึงเรียกว่าคนกล้าจริงๆเนี่ย น, นะคนกล้าทําบาปนี่เขาเรียกว่าคนขาดคนกลัวนี่นนะคนที่ไม่เจริญกุศลเรียกว่าคนขี้เกียจคนเกียจคร้าน อันคนกล้าจริงๆก็คือกล้าละบาปแล้วกล้าเจริญกุศลจึงเรียกว่าคนกล้าจริงๆทีนี้ต่อไปนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีสติประกอบด้วยสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนเป็นอย่างยิ่งระลึกได้ตามระลึกได้แม้ซึ่งกิจการที่ทำไว้แล้วนานแม้ซึ่งคำที่พูดไว้ได้แล้วนานอันคนมีสติจริงๆเนี่ยนะ และถ้ามีสติจะต้องมีสัมปชัญญะควบคู่กันไปด้วยสัมปชัญญะก็คือศาธากะสัมปชัญญะเป็นต้นไปนั่นเองอันสา ม, มารถระลึกแยกแยะวินิจฉัยเหตุผลโดยประการต่างๆได้หมดละเอียดละ อ, อีทีท้วนนะอันคนที่ศึกษามามากก็จะมีสติสัมปชัญญะมากทีนี้ข้อต่อไปน ะ, ะจารณะข้อต่อไปก็คือปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ชำระ ก, กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบปัญญาในที่นี้ก็คือปัญญาระดับอุทยพย า, ยานเห็นความเกิดคือสมุทัยเห็นความดับเรียกว่าอัังคัมมะเห็นทั้งเหตุเกิดเห็นทั้งความดับเห็นทั้งอส า, าธาทีนวะนิสรณะนะอันปัญญาเหล่านี้จึงเรียกว่าคนมีทรัพย์คือปัญญาหรือมีจารณะแล้วก็ได้ฌานด้วยมีได้ฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ในเรื่องฌานจะไม่อธิบายมาก พันพระองค์นี้ทรงเพียรพร้อมด้วยวิชาแปดและจารณะสิบห้าพระองค์จึงเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีผู้ที่บริบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะอันนี้ก็เป็นคุณอย่างหนึ่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะอั น, นคนที่บริบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะนะมีคุณธรรมขนาดนี้ทรงแสดงธรรมมาเนี่ยโอ้เป็นธรรมะที่เราควรที่จะ ศึกษาเป็นอย่างยิ่งควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งมีข้อสงสัยอะไรไหมไม่มีนะคำพีพิสุจ์ที่มั่งอย่างหนึ่งแล้วก็ในอัตกธามหานิเทศอย่างหนึ่งนะแล้วก็ในพระสูตรทั่วไปอธิบายคำว่าซีนเอาไว้ซีนนั้นมีลักษณะ คือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าผู้ที่ได้กุลศลศีลอย่างดีก็เหมือนกับมีฐานเป็นอย่างดีที่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเพราะว่าศีลเป็นเหตุให้กุศลธรรมหรือกุศลจิตเกิดอย่างหนาแ น, น่นกุศลจิตสามารถเป็นไปในทาวารต่างๆ เพราะว่าศีลเนี่ยนะเมื่อมีการพูดการคุยเมื่อไรถ้าพูดคุยเป็นต้นเหล่านั้นเกิดการกระทําด้วยกุศลศีลก็เกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, นอันคนที่สามารถาพูดให้เป็นกุศลได้โยงกุศละศีลก็มีความสำคัญเหมือนกับพื้นแผ่นดินนั่นแหละ ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวงานที่เป็นไปกับกุศลธรรมได้บ่อยๆมากๆกุศลศีลเหล่านี้ก็จะช่วยเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปในพระสูตรหลายแห่งกล่าวอุปมาว่าศีลเนี่ยก็เหมือนกับแผ่นดินน่ยนะการจะปลูกต้นไม้ใบหญ้าเป็นต้นเนี่ยถ้าจะให้ตีหรือว่าต้นไม้ใบหญ้าที่งอกเงยงอกงามดีก็อาศัย จเจริญเติบโตบนแผ่นดินชั้นได้ว่างั้นกุศลศีลก็ลักษณะนั้นสมัยนี้เขาเลยอุปมายอย่างนี้เลยก็บอกว่าจะสร้างตึกเนี่ยก็ต้องฐานดีๆหน่อยว่างั้นกุศลศีลก็มีความสําคัญเหมือนกับพื้นแผ่นดินนั่นแหละหรืออีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราต้องทําด้วยแรงกายนะโดยกายเป็นต้นเนี่ยนะการงานเหล่านั้นอันบุคคลตั้งอยู่บนแผ่นดินแล้วก็ประกอบการงานเหล่านั้น ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วก็เจริญกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปเช่นเจริญสติปัญญานเจริญสัมมปาปัญญาเจริญอิทธิบาทเจริญอินทรีย์เจริญพระเจริญโพชฌงเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปก็อาศัยอยู่บนพื้นฐานของกุศลศีลเอานะเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยมีลักษณะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปถามว่าศีล น, นั่นน่ะตัวของเขาได้แก่อะไร ศีลเ น, นี่ยนะตัวศีลจริงๆแล้วสภาวะของเขาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงเจตนาก็เป็นศีลตามปฏิสัมพิธามักว่างั้นเจตนาก็เป็นศีลเจตสิกก็เป็นศีลสังวรก็เป็นศีลอวีติ ก, กะมะก็เป็นศีลเพราะฉะนั้นสภาวะของศีลเนี่ยนะมีอยู่4ี่คำด้วยกัน แต่ลักษณะของเขาก็คือรองรับปุสสรธรรมชั้นสูงแต่ตัวของเขาได้แก่เจตน า, เ, าเจตนาที่เป็นศีลได้แก่เจตนาที่วิรัตงดเวนจากความชั่วทางกายความชั่วทางวาจา